คำราธนาธรรมจักรวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทิยายสัพพทุขวินาสายะธรรมจักกับประวัติณสุดตังปริตตังพรูธมังคารังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทยยสยยธิยาสัพพพยวินาสายะธรรมจักกับประวัติณะสุดตัง ปริตังผูทมังครังวิปติปติพาหายะสัพพสัมปติสิทธิยายสัพพโรควินาสายะธรมมจกักกะปวัตตนสุตังปริตังรูทมังครัง